เรื่องเสียงสั่งให้ไปพบหลวงตาโดยนางสาวแก้วอัมพรัตข้าพเจ้าได้มาวัดป่าบ้านตาดครั้งแรกเพื่อทอดกระถินกับแม่โดยพระพี่ชายชื่อมหาทองเงินได้มาบวชและจำพรรษาอยู่ที่วัดป่าบ้านตาดกับหลวงตามหาบัวอยู่ก่อนแล้วต่อมาปีพศ2541หนึ่ง ข้าพเจ้าจึงได้มาอยู่จำพรรษาที่นี่ตลอดมาจนถึงปีพศ2550ผลของการภาวนา 1. ครั้งแรกภาวนาอยู่ที่อื่นได้ยินเสียงของพระพุทธองค์บอกให้ไปหาพระหลวงตามหาบัวที่วัดป่าบ้านตาด 2. พอนั่งภาวนาอีกครั้งได้มองเห็นพระอริยเจ้าด้วยตาเนื้อและได้กราบเรียนท่านว่าเวลาระลึกถึงพระพุทธเจ้าหรือพระอริยเจ้า ก็เพียงระลึกถึงพุทธโธก็จะถึงทั้งพระพุทธเจ้าและพระอริยเจ้าทุกพระองค์เลย 3. ขณะเดินจงกรมวันหนึ่งถึงครึ่งคืนเกิดเวทนาหนักมากแต่ก็อดทนทำต่อจนกระทั่งเวทนาดับแล้วกายเบาหลงชื่อนางสาวแก้วอัมพรัต